เมื่อวานตอนเย็นหนึ่งไม่ได้มาแปลสารัญยาแปลสู้ไหวแบบสารัญคนต่างชาตินมาเรียนธรรมะเรียนลำบากแปลให้เขาฟัง แต่ทันบ้างไม่ทันบ้างอนะไรเงี้ยแา่หลวงพ่อไปเมืองจีนครั้งแรกมีผู้หญิงคนนึ่งเป็นคนแปลเขาเขาจัดคอร์สเราบอกเราไม่เก็บตังค์นะสอนฟรีถ้าใช้ใจเราก็ออกของเราเองเก็บขอให้ที่แปล เป็นภาษาจีนเอามาใช้มาเผยแพร่ไม่ยอมนะเดี๋วก็เอาความรู้เราเนี้ยไปจัดคอร์สเก็บตังต่อรอดีมาเจอหนึ่งเนี่ยหนึ่งนี่เขาอยากเผยแพร่จริงๆ ช่วยทำงานงานเมืองจีนนึงไปได้นี่ทางเมืองจีนเนี่ยก็ไม่ให้พระเข้าประเทศเขาดีดจานประสาน ร, รู้จักไหมจนานประสานกลมๆวันวันอยู่ข้างหน้านี้ได้จนานประสานเป็นตัวแทนไปเมืองจีนก็ได้ผลนะ ที่จริงแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้านีสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลแต่ว่าเมื่อฟังแล้วต้องลงมือทําฟังอย่างเดียวไม่เข้าใจฟังอย่างเดียวก็คิดได้แค่ว่ามันมีเหตุผลแต่ถ้าลงมือปฏิบัติแล้วจะได้เห็นความจริงพระพุทธเจ้าสอนธรรมะ ม, มาเนี่ยจุดหมายปลายทาง เพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์ว่งไปที่ตัวนี้เองเงี้ขอบเขตคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์บางคนก็อบอกว่าไม่อยากเรียนแล้วลว่าชีวิตนี้ไม่เห็นจะทุกข์ตรงไหนเลยชีวิตนี้สบายพระพุทธเจ้ามาเริ่มจากทุกข์นะั้ยอมรับไม่ได้ ที่จริงสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยนะมันคล้ายคลย้แอปโรสอกระบวนวิธีของงานวิจัยตัวทุกคือตัวปัญหาดงนั้นก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็ต้องรู้ว่ามีปัญหาอะไรที่ต้องการตอบโจทย์อันนี้ ้าแใจนะ้นได้เรียนเรื่องตัวสมูทยัยมาวิเคราะห์ว่าสาเหตุของทุกข์มันอยู่ที่ไหนตัแใจนั้นมากาหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ว่าเราจะทำอะไรทำเพื่ออะไรเราจะทำเพื่ออะไรเรารู้สาเหตุของทุกข์แล้วรู้สาเหตุของปัญหาแล้ว งานที่ท่านสอนให้ทำนะคือดับเหตุของปัญหาไม่ใช่ดับผลต้องดับเหตุนเวลาแก้ปัญหาเนี่ยแก้ที่สาเหตุอันนี้กระทั่งงานวิจัยหรืองานแก้ปัญหาของชาติบ้านเมืองก็ใช่หลักเดียวันนี้ผ่านมาตั้งหลายพันปีนะวิธีคิดแก้ปัญหาเนี ไม่ได้แตกต่างจากที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เลยเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่สภาคามมั่นคงภูมิในการไม่ใช่ภูมิในการเรียกเลขาธิการคนหนึ่งเก่งคนนี้แต่เป็นพลเรือนขึ้นมาเป็นเลขาธิการได้นอัศจรรย์แนะ หลวงพอไปเข้าใหม่ๆนะเขาเป็นว่านักกองชื่อคุณสุวิทย์เขสอนว่าวิธีคิดแก้ปัญหาเนี่ยมันอยู่ในหลักอริยสัจของพระพุทธเจ้าเขาบอกเวลาเราจะวิเคราะห์ปัญหาสักเรื่องหนึ่งเราต้องรู้ก่อนว่าปัญหาคืออะไรพอรู้ว่าปัญหาคืออะไรแล้วนะ ถ้วิเคราะห์ต่อไปสาเหตุอยู่ที่ไหนนี่คือตัวสมุทยัยตัวทุกข์แล้วมาตัวสมุทยัยถัดจานั้นเวลาแก้ปัญหานี่ต้องไปดับที่สาเหตุไม่ใช่ดับที่ตัวปัญหาเหมือนอย่างไฟไหม้ไฟไหม้ไม่มีใครดับไฟได้แต่ที่ไฟดับเพราะเหตุของมันดับ ไฟไหม้เพราะอะไรเพราะอุณหภูมิมันสูงเอาน้ําไปรดมันอุณหภูมิมันลดลงไฟมันดับไฟไหม้เพราะมันมีเชื้อเพลิงอย่างไฟไหม้บ้านไล่ไล่ไปง ห, หรือบ้านทิ้งส่หลังสองหลังไม่มีเชื้อเพลิงที่ไฟยาลามมาไฟก็มาไม่ได้ไฟก็ดับ หรือไฟไหม้เพื่อมีออกซิเจน <c oughs> มีน้ำยาไปฉีดฉ <c oughs> ีดไม่ให้อากาศเข้าไปตรงที่จุดที่ไฟไหม้ไฟก็ดับงั้นดูให้ดีนะมันจะเป็นการดับที่สาเหตุไม่ใช่ดับที่ตัวปัญหาหรือตัวทุก์งันทุกไม่ใช่สิ่งที่ดับได้ พระพุทธเจ้าก็เลยไม่ได้สอนให้ดับทุกแตนะ่ท่านสอนให้ดับเหตุของทุกหน้าที่ต่อทุกคืออะไรคือรู้รู้ให้แจ่มแจ้งนั้นเรามีปัญหาเนี่ยนะเราต้องรู้ให้แจ่มแจ้งศึกษาลงไปตัวทุกอยู่ที่ไหนตัวทุกอยู่ที่ร่างกายตัวทุกอยู่ที่จิตใจไม่ไงการปฏิบัติเนี่ย จะไม่เกินกายเกิดใจออกไปอย่างตัวทุกข์ไปอยู่ที่ภูเขาไม่เกี่ยวกับเราล้วไม่ต้องไปแก้ตรงนั้นทุกข์อยู่ที่ตัวเรานี่เงั้นจะแก้ปัญหานี่ไม่พ้นตัวเองออกไปะมาเรียนเรื่องทุกข์ให้จแจ่มแจ้งอะไรเรียกว่าทุกข์รูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเรานี่แหละเรียกว่าตัวทุกข์ อันหนึ่สอนบอกสังคิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาตุกขาโดยสรุปอุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์คำว่าอุปาทานขันไม่ได้แปลว่าขันที่ถูกยึดมั่นอุปาทานขันเป็นชนิดของขันขันไี้มีสองชนิดชนิดที่ยึดมั่นได้กับชนิดที่ยึดมั่นไม่ได้ ขันที่เป็นความยึดมั่นคือขันที่พวกเรามีเนี่ยขันบางอย่างไม่ใช่อุปาทานขันอย่างพวกโลกุตระจิตของพระธิยาบุคคลไม่ใช่โลกไม่ใช่อุปาทานขันเหตุที่ท่านบอกว่าโดยสรุปอุปาทานขันทั้งห้าคือตัวทุกบางคนเ็ปแปลผิดบอกว่าขันเนี่ยยังไม่ทุกถ้าเราเข้าไปยึดขันแล้วถึงจะทุก อันนี้แปลผิดนะอุปาทานขันเป็นชนิดของขันรึ่งเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นได้ร่างกายเนี่ยเรายึดมั่นได้ไหมความรู้สึกสุขทุกเรายึดมั่นได้ไหมความจำได้หมายรู้ความปรุงดีปรุงชั่วเนี่ยจิตเข้าไปยึดได้หรือตัวจิตเองตัววิญญาณ ความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกนิ้นแก่ใจเราก็ยึดได้แต่โล ก, กุตตรจิตจิตในขณะที่เกิดอริยมรรคอริยผลจิตในขณะที่เข้าพระสมบัติอะไรไม่ใช่อุปาทานขันงั้นโดยสรุป อ, อุปาทานขันทั้งห้าคือตัวทุกข์พวกเราไม่ต้องสงสัยมาก คันทั้งหลายทั้งปวงที่พวกเรามีนี่แหละคืออุปทานขันนะเพราะพวกเรายังไม่มีขันที่ไม่เป็นอุปทานขัน่ยวเป็นปภาลิยาบุคคลงั้งนไม่ต้องตกใจคำว่าอุปทานขันพูดย่อๆลงมาสําหรับพวกเราก็คือขันของเราทั้งหมดนะ้นเป็นอุปทานขันอยู่แล้วนะเรายึดไม่ร่างกายนีก้กายของใครกายของกูกายของเรา ความรู้สึกสุขทุกของเราเนี่ยเราสุขเราทุกข์เราจําได้เราจําไม่ได้เราโกรธเราโลภเราหลงะเราดีเรามีสติเราขาดสติะเข้าไปยึดได้หมดะเรารับรู้สิ่งเหล่านี้คือตัวทุกข์หน้าที่ต่อทุกข์คือรู้เพราะงั้นให้คอยรู้กายคอยรู้เวทนา ความรู้สึกสุขทุกข์ครรู้สัญญาสัญญานี้เว้นไม่ก่อนก็ได้นะเพราะเป็นตัวที่เข้าใจยากงั้นถ้าจะมีกายมีเวทนามีจิตนะจิตนี่คือตัวสังขารไม่ใช่ตัวจิตตรงๆรงนะจิตจิตที่เป็นกุศลอกุศลงราะจะเป็นกายคือตัวรูปนะมีเวทนามีจิตก็คือตัวสังขารนะแล้วก็มีธรรม ธรรมนี่ประกอบด้วยรูปธรรมและนามธรรม ท, ทั้งหมดทั้งสิ้เบื้องต้นดูรูปหรือดูนามที่เรารู้ที่เรารู้ได้ร่างกายนี่รู้ได้ง่ายร่างกายรู้ยากไหมลองยิบมสิยิ้มหวา น, วานรู้สึกไหมยิ้มต้องสองกระจกไหมถึงจะรู้คนจีนยิ้มทันไหม ยิมแล้วรู้สึกไหมร่างกายยิ้มลงพยักหน้ารู้สึกไหมร่างกายพยักหน้ารู้สึกง่ายรู้สึกไ ห, รไหมร่างกายกาลังนั่งอยู่ต้องวางฟอร์มไหม <t> <p> เพื่อจะรู้สึกว่าร่างกายนั่งต้องดัดแปลงจิตไหมทำจิตคลืมๆแล้วถึงจะรู้ไหมว่าร่างกายนั่งจิตปกตินี้รู้ได้ไหมเห็นไหมมันเรื่องธรรมดาที่สุดเลยไหปกติธรรมดานี่ รู้สึกได้รู้สึกได้งั้นไม่ใช่เรื่องาอยากนะอย่างเราจะ ร, จะ ร, รู้สึกร่างกายนะร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนไม่ใช่เรื่องผิดปกติรู้สึกด้วยใจที่ธรรมดานี้ได้แล้วต้องรู้ด้วยใจที่ธรรมดาด้วยถ้ารู้ด้วยใจที่ผิดธรรมดานะใจจะทื่อๆปัญญาจะไม่เกิดแต่ถ้ารู้ด้วยใจธรรมดานี่มันจะรู้สึกเลยตัวนี้มันนั่งอยู่ มันไม่ใช ie, ใ่เรอนั่งร่างกายหายใจรู้สึกได้ไหมร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าต้องตั Sally, <im> <im neh> ้งท่ารู้สึกไหมต้องตั้งท่าละไม่งั้นไม่รู้อนี้ถึงจะรู้นี่เพียรอีกแล้วรู้ด้วยจิตใจที่ปกติจิตใจปกติมันรู้อยู่แล้วว่าหายใจออกหรือหายใจเข้ามันละเลยท <im> ี même, ่จะรู้เท่านั้นเองจิตใจปกติมันรู้อยู่แล้วว่ายืนเดินนั่งนอน แต่มันละเลยที่จะรู้เท่านั้นเองจิตใจปกติรู้อยู่แล้วร่างกายเคลื่อนไหวหรือร่างกายอยู่นิ่งๆแต่มันละเลยที่จะรู้เท่านั้นเองแม้นการรู้ทุกันไม่ต้องบานย่ามากไม่ต้องคิดมากว่าทําไงจะรู้ขันห้ามันรู้ได้อยู่แล้วะมันรู้ได้อยู่แล้วแต่มันละเลยที่จะรู้เท่านั้นเองทําไมมันละเลยที่จะรู้เพราะมันไม่มีสติสติเป็นตัวคอยรู้ทันรูปธรรมนามธรรมที่กําลังปรากฏ มันไม่มีสตินี่เคยฝึกสติะจิตใจมันล่องลอยไปที่อื่นอย่างเวลาเราโกรธเราขับรถอยู่คนมาขับรถปาดหน้าเราโกรธเวลาเราโกรธเร า, ล, า, เราล้าเลยที่จะรู้ว่าจิตโกรธถ้าเราจะรู้นะว่าจิตโกรธเราก็รู้ได้ถ้าเราจะรู้ว่าเลือดขึ้นหน้าแล้วหน้าแดงหน้าร้อนอะไรอย่างเงี้เราก็รู้ได้แต่เราล้าเลยตอนอ น, อตอนั้นเราจะไปสนใจไปดูไอ้คนที่ปาดเราขับรถปาดหน้าเราเราไปสนใจคนอื่น เราลาเลยที่จะรู้กายรู้ใจของตัวเองถ้าคอเพียงไม่ล้าเลยคอเพียงคอยรู้สึกใจรู้สึกใจทุกคนรู้สึกได้อยู่แล้วแล้วหน้าอาสัญนี้วะนะันนั้นขันเนี่ยขันห้าเนี่ยมันแยกอยู่แล้วโดยธรรมชาติมันถึงชื่อว่าขันมันแยกอยู่แล้วมันเป็นกองกองขันแปลว่ากองแปลว่าส่วนเป็นดีวิชั่นเป็นส่วนส่วน มันแยกอยู่แล้วเราถ้าห่างไปทั่วออมาเป็นตัวเราของเรานะงั้นการรู้ทุกข์เนี่ยไม่ต้องมานยามากว่าจะรู้ได้ยังไง ร, นะรู้ก็คือรู้นั่นแหละโกรธรู้จักโกรธไหมเวลาความโกรธเกิดขึ้นนะรู้ว่ากำลังโกรธอ ย, นะอยู่รู้ความโกรธที่เกิดขึ้นรู้ความโกรธที่มีอยู่รู้ความโกรธที่หายไปไม่ใช่เรื่องยาก ทำไมคนทั่วไปเวลาโกรธเราไม่รู้เพราะมัวแต่ไปดูให้คนที่ทําให้โกรธเวลาความโลภเกิดขึ้นถ้าจะรู้ก็รู้ได้ว่าตอนนี้โลภนั้นอยากได้นนท์ได้นี่แล้วัไปเดินศูนย์การค้าเห็นมือถือรุ่นใหม่อยากได้อยากได้แล้วล้าเลยที่จะรู้ว่าจะอยากได้มัวแต่สนใจไปดูมือถือหรือเห็นเขาถือกระเป๋าใบละหลายล้านสนใจ อยากดูข่าวเขาใจกาลังโกรธกาลังรักอะไรเนี่ยไม่เห็นแต่สนใจข่าวข้างนอกเนั้นจริงๆแล้วถ้าจะรู้กายรู้ใจทุกคนรู้ได้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติที่รู้ได้แต่เราล้าเลยที่จะรู้เพราะเราโแต่สนใจของอื่นสนใจสิ่งอื่นซึ่งอยู่ข้างนอกสนใจของข้างนอกเรียองอายตนะภายนอก อยายะตาปณะภายนอกคือรูปที่เราไปเห็นเข้าอย่างเราขับรถอยู่ก็าปาดหน้าเราเราโกรธเราไม่ดูเราไปดูให้คนที่ปาดหน้าเสียงเป็นอง ข, อข้างนอกอย่างเสียงหมาเห่าอย่างเงี้ยหรือเสียงอะไรแปลกๆตอนเรานอนใจเราก็พะวงว่ามีเสียงอะไรเกิดขึ้นใจจะวิ่งไปคอยดูไปคอยระวังว่าผู้ร้ายจะมางัดบ้านเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแจจะแปกข้างนอกมันไม่ดู ใจอองตัวเองว่ากําลังกลัวหรือกําลังสงสัยมันล้าเลยที่จะดูเท่านั้นเองนะกลิ่นรสสัมผัสนี้เป็นอยู่ข้างนอกทั้งหมดนะมันมาจูงใจเรา เ, เช่นนั่งใกล้อาหารนี้มีกลิ่นนะกลิ่นเรากําลังหิวข้าวนะใจเราพึ่จะล่องลอยไปอะไรว่าหอมดีนะจะได้ดูไว้ก่อนจะได้จองเธอเอาป้ายไปจองก็ไม่ได้นะจะป้ายอยู่วัดแปแปๆก็ไม่ได้ เอาเลขไปแปะก็ไม่ได้ใช่ไหมจองในใจอย่างนี้เนี่ยใจมันสนใจที่อาหารมันไม่รู้ว่าใจกําลังโลภ ก, กําลังอยากได้อยู่อของง่ายๆแค่นี้ความคิดก็ถือว่าเป็นของข้างนอกนะเรื่องราวที่รู้ด้วยใจเนี่ยธรรมารมถือเปน็นอิจตนะภายนอกเหมือนกัน ใ, นใจ เป็นอายตนาภายในธรรมรมคือสิ่งที่รู้ด้วยใจทือเป็นอายตนาภายนอกความคิดเนี่ยถ้าดูให้ดีอยู่นอกๆความคิดเนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูอยู่นอกๆ น, นะรู้ได้เพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้มันจูงใจให้เราสนใจสิ่งทนอกจนเราละเลยที่จะรู้กายรู้ใจของตัวเองถ้าจะรู้กายรู้ใจรู้ได้ทุกคนรู้ได้ง่าย ยกมือสิรู้สึกไหมยกมือรู้สึกไหมต้องวางฟอร์มไหมเอาละยกละเอามือลงละเพี้ยนสิยกนี้ไม่รู้หรอยกก็รู้สึกไปรู้ด้วยใจที่ธรรมดาใจที่ผิดธรรมดาเนี่ยเจริญปัญญาไม่ได้ได้แต่สมถะ เพ่งหรือขยับแล้วเพ่งนิ่งอยู่อย่างนี้นะห้ามเรียนแบบนะเป็นความสามารถเฉพาะตัวคว้าเข้าไปรืปพ่อออกเมื่อไหร่ก็ได้ของพ่อเราไปแล้วไม่ไม่กลับแล้วค้างอยู่เป็นวันๆไหย เนี่ยตัวอะไรยิ้มไหมรู้สึกไหมรู้ก็รู้ได้แต่ละเลยนึกออกอย่างคำว่าล้าเลยน เ, ออยะลเลยนะเมื่อกี้ที่นั่งหัวเละนั่งยิ้มอ่ะลเลยรู้สึกไหมรู้สึกขำก็ไม่รู้ว่าขำไนะมกำลังหัวละแยกเขี้ยวยิงฟัอนอยู่ก็ไม่รู้ไม่รู้กายไม่รู้ใจเพอาะละเลยวัวแต่เพลินคิดตามที่หลวงพ่อพูดเพลินนะนี่นเราเพลอดเพลิลน การรู้กายการรู้ใจหรือการรู้ทุกเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากทุกคนรู้ได้อยู่แล้วแต่ละเลยที่จะรู้เท่านี้เองถ้าไมละเลยคือมีสติรู้กายรู้ใจเนืองๆรู้บ่อยๆไม่ต้องรู้ตลอดเวลาแต่รู้เนืองๆดีกรีไม่เหมือนกันรู้ตลอดเวลาเนี่ยนะจะนั่งเฝ้านั่งจ้องจิตใจแข็งทื่องั้นท่านไม่ได้ให้รู้ตลอดเวลาท่านให้รู้เนืองๆรู้เนืองๆผสม ในการที่ห้าถ้าสมัยพวกเรารู้บ่อยๆรู้บ่อยๆรู้จักไหมรู้บ่อยๆรู้เ น, ง, นงฟังแล้วก็เริ่มต้องแปลแล้วนะเกี่ยวกับแนหนมนึงหรือเปล่าเนภาษาน่าร้อยปียภาษาเปลี่ยนแล้แปลบาลีมาเป็นภาษาไทยครับจากภาษาไทยผ่านมาร้อยปีเนี่ยจะต้องแปลแล้วเอแปลว่าอะไรบางทีต้องแปลกลับไปภาษาอังกฤษอีกที แปลกลับไปภาษาอื่นเพื่อจะมาเข้าใจว่าคําไทยคํานี้แปลว่าอะไรรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆเท่าที่รู้ได้ไม่ต้องรู้ตลอดเวลาในถ้าภาษายุคนี้โกรธขึ้นมาก็รู้บางทีก็เผลอแต่รู้บ่อยๆหน่อยอย่าโกรธนานอย่าเผลอโกรธไปยาวเป็นวันๆ น, นะแล้วค่อยรู้ทีเดียวโกรธไปรู้สึก โกรธแล้วรู้สึกถ้ารู้อยู่ตลอดเวลาจะไม่โกรธนะจะนิ่งก็จ้องรอดูเมื่อไรจะโกรธเราใช้ความโกรธเป็นวิหารธรรมงั้นคอยจ้องอยู่ที่จิตไหนจะโกรธหรือยังไม่โกรธหอยังจะโกรธหรือยังมันจะว่างๆมันจะนิ่งๆนะงังไม่ต้องรู้ตลอดเวลาให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบลมไปตามธรรมชาตินะ มีตาก็ดูมีหมูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายก็รู้สัมผัสมีใจก็คิดพอกระทบอารมณ์แล้วนะมันเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นมามีสติแล้วรู้อย่างเรามองเห็นผู้หญิงสวยมาใจเราชอบรู้ว่าชอบไม่ต้องมารยาทำเป็นไม่ชอบชอบคือชอบแต่ไม่ต้องวิ่งไปบอกเขาว่าชอบแล้วนะ เวอร์ไปทําไมต้องมาบอกฉันปฏิบัติทานผมปฏิบัติธรรมผมซื่อตรงะโดดตบเท่นั่นเองให้รู้ทันรู้ของเราซื่อๆไปะรู้ใจของเราไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกแล้วทําไมเรียกว่ารู้ถูกนี่รู้กายรู้ใจถนัดนะถ้ารู้ไปเรื่อยๆแล้วปัญญาเกิดจะรู้เลย กายนี่คือตัวทุกข์ใจนี่คือตัวทุกข์ที่ว่ารู้ทุกข์นะี่มันจะมารู้ตรงนี้มันรู้ด้วยปัญญาและ้ะทีแรกรู้ด้วยสติรู้ขันห้าด้วยสตินะแต่ต่อไปปัญญาเกิดมันจะรู้ขันห้านี่คือตัวทุกข์กายนี่คือตัวทุกข์แต่เราทำไมไม่เคยเห็นมันทุกข์มาตั้งแต่เกิดแล้วแต่ทำไมไม่เห็นเพราะเราละเลยที่จะรู้ ถ้าเรารู้สึกอยู่ในกายเรื่อย เ, เนี่ยเราจะรู้สึกว่าร่างกายนี้มีความทุกข์เกิดขึ้นอยู่เนืองๆ น, นะเกิดเึนเยอะมากเลยเราละเลยที่จะรู้เช่นนั่งอยู่แล้วก็คันประคันแล้วก็เกาใช่ไหมหายทุกข์แล้วลืมไปแล้วไม่รู้ว่าเกาด้วยซ้ำไปเกาอัตโนมัตมินั่งอยู่เมื่อยขยับขยับใช่ไหมไม่มีใครนั่งนิ่งสักคนเลยนั่งแล้วก็ขยับไปขยับมาเพราะมันเมื่อย นั่งนั่งที่แรกก็ตรงจองนานๆก็เมื่อยก็หย่อนหย่อนนานๆก็เมื่อยก็ยืดขึ้นอีกในชะ่ไหมเนี่ยเราไม่รู้ว่าทุกงั้นถ้าเรามีสติอยู่ในกายเนืองๆ น, นะเร้จะเห็นว่าเนี่ยกายนี้คือตัวทุกถ้าเราเฝ้ารู้อยู่ที่จิตเราก็จะเห็นว่าตัวจิตนี้ก็คือตัวทุกเราอุตส่าห์วิ่งหาความสุขมาให้มันนะหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจมาให้มันมันมีความสุขแวบเดียวนะความสุขก็าหายไปแล้ว ต้องเหน็ดเหนื่อยในการวิ่งหาอารมณ์ชนิดใหม่มานะเพื่อมาให้มันกินเป็นอาหารนะมีอารมณ์มาให้มันเป็นอาหารมีกินไปแล้วมันมีความสุขแวบเดียวมันหิวอีกล้วมันอยากได้อารมณ์ใหม่แล้วนะมันไม่เคยมีความเต็มไม่มีความอิ่มอยู่ในใจนี้เลยใจนี้มีความหิวอยู่ตลอดเวลาแล้วนะมันทุกข์ตลอดเวลามีภาระตลอดเวลานะความทุกข์เนี่ยดูเนของใจนะดูในแง่ความเป็นภาระก็ได้นะ ใจนี้มีภาระจริงๆแล้วขันห้ามีภาระทั่านั้นน่ะตื่นนอนมาต้องอาบน้ํำไหมต้องขับถ่ายไหมต้องแต่งตัวไหมตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยภาระเยอะแยะเลยใช่ไหมตั้งแต่หัวต้องมีผมไหมวันนี้หรือว่าไม่หวี <c oughs> อันนี้ก็เป็นภาระเหมือนกันเนาะเอามือสางสๆขยุ่งไปยุ่มแต่อย่างนี้แปลกๆว่าหัวเหมือนทุเรียนนะยนี้ไม่รู้ทํำยังไงละ่ะ ตุ่นหน้วงพอไม่เข้าใจแล้วเฉยขันทั้งห้าเป็นภาระนะแล้วเราต้องแบกภาระนี้ตลอดชีวิตมีบทสวดมนต์อยู่อันหนึ่งนะบอกขันทั้งห้าเป็นภาระนะ่นะบุคคลทั้งหลายเนี่ยมันมีภาระอันนี้อยู่นะพระอริยะเจ้าคือพระหันเนี่ยนะวางภาระลงแล้วแล้วไม่หยิบเวยขึ้นมาใหม่ก็เลยพปรจากถูก ในขณะที่พวกเราวางภาระไม่ได้โกรธขึ้นมาเราก็ต้องมีภาระใช่ไหมตามใจมันบ้างต่อต้านมันบ้างอย่างี้สุขทุกข์อะไรนี่เป็นภาระทั้งนั้นเลยถ้าภาวนาเป็นเราจะเห็นว่าความสุขนี่เป็นส่วนเกินความสุขเกิดขึ้นมาก็เสียดแทงใจใจที่เป็นปกติธรรมดารู้ตื่นเบิกบานสบายความสุขผ่านเข้ามานะมีอะไรแปลกปลอมเข้ามาเป็นภาระปัจัย เนี่ยเราค่อยรู้ลงไปนะเราจะรู้ในขันทั้งห้าเป็นภาระขันทั้งห้าเป็นทุกข์อย่างนี้เรียกว่ารู้ทุกข์ละไม่ใช่ของดีของวิเศษยังไงคาว่ารู้ทุกข์เนี่ยลึกซึ้งนะรู้ทุกข์ต้องรู้ตั้งแต่ว่าอะไรคือตัวทุกข์ขันทั้งห้าคือตัวทุกข์รู้ขันทั้งห้าไปที่แรกรู้ได้ส ต, ติรู้ถึงความมีอยู่ของมันไม่ละเลยไม่ลืมมันไม่ละเลยนะมัวแต่ไปดูของอื่นๆ ใคอยรู้กายคอยรู้ใจไม่ละเลยเ่าไปก็ปัญญาเกิดรู้ได้ปัญญาว่าขันห้านี้เป็นตัวทุกจริงๆรนะ่างกายนี้ก็เป็นภาระความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายความรับรู้ทั้งหลายเป็นภาระทั้งสิ้นเป็นทุกข์ทั้งสิ้นพอเห็นอย่างนี้ใจจะเริ่มเบือ่อเบื่อน่ายคลายความยึดถือแล้วหลุดพ้น มันทุกให้รู้คําว่ารู้ทุกเนี่ยเลยกว้างขวางนะมันคือตัวมรคด้วยการรู้ทุกนั่นแหละคือตัวมรคงั้นเราพอรู้ทุกแจมแจ้งนะมันจะละสมุทัยนี่ศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะซึ่งศาสตร์ทางโลกไปไม่ถึงศาสตร์ทางโลกเนี่ยเราวิเคราะห์ปัญหานี่สื่อคือตัวทุก ว, วิเคราะห์สาเหตุแล้วไปกําหนดยุทธศาสตร์ยุทธวิธีกฎระวิธี ในการแก้ปัญหานะั่นคือตัวมรรคให้แก้สําเร็จแล้วก็หมดปัญหาเป็นตัวนิโรธเนะนี่ยในทางโลกจะเป็นอย่างนี้เป็นสามสี่งานนะเป็นสี่งานซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันต่อเนื่องกันไปเชื่อมโยงกันไปแต่ในทางธรรมเนี่ยถ้าเมื่อไหร่รู้ทุกเมื่อ น, นั้นจะละสมุทยัยเมื่อไหรล่ละสมุทยัยเมื่อ น, นั้นจะแจ้งพรนิพพานเลยแจ้งนิโรธทันทีเลยเมื่อไหร่แจ้งนิโรธนะเมื่อ น, นั้นอริยมรรคจะเกิดขึ้นทันทีเลย การรู้ทูกล้ลสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคเนี่ยเกิดขึ้นในขณะเดียวกันอันนี้เป็นศาสตร์ที่ลึกล้ําสุดประมาณเลยเหนือกว่าศาสตร์ในการวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหามากมายอันนั้นมีงานที่ต้องทำหลายอย่างวิเคราะห์ตัวปัญหาวิเคราะห์สาเหตุวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีที่จะแก้ปัญหากำหนดวิธีที่จะแก้ปัญหา นะเรากําหนดวิธีแก้ปัญหาแล้วต้องวิเคราะห์ต่อจะเกิดไซต์เอฟเฟกอะไรด้วยนะจะต้องป้องกันอย่างไรอย่างงี้มีเรื่องที่ต้องทํามากมายเงนินเวลาที่กําหนดนโยบายกําหนดยุทธศาสตร์กำหนดอะไรนะมีงานที่ต้องทําเยอะแยะเลยนะจะต่างกับพระพุทธศาสนาถ้ารู้ทุกได้อันเดียวเนี่ยงานที่เหลืออีกสามงานเนี่ยเสร็จโดยตัวเองอัตโนมัติเลยนะความลึกล้ามันอยู่ตรงนี้แตกต่างกัน น, นความเข้าใจของคนในโลกไม่เท่าภูปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่นแตกต่างคนละระดับกันเราฟังเราก็น่าทึ่งแล้วใช่ไหมมีปัญหาวิเคราะสาเหตุกำหนดวิธีการแก้ปัญหาจะรู้ต้องดับปัญหาจุดหมายปลายทางต้อขจัดปัญหานี่คือตัวนิโรธ ด, ดับปัญหานะแล้วมากำหนดวิธีการคือตัวมั่มีงานที่ทาเยอะ แต่ในทางทำรู้ทุกตัวเดียวเท่านั้นเรู้ไปบ่อยๆรู้ลงกทีแรกรู้ด้วยสติรู้สึกการู้สึกใจไปแต่ไปรู้รู้รู้สึกด้วยปัญญาเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจมีแต่ภาระมีแต่ของไม่เชื่องเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นภาระดูอย่างนี้เรื่อยๆจิตจะวางเอง ก็เห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพน้นพระหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วมันเริ่มมาจากอะไรมันเริ่มมาจากเพราะเห็นตามความเป็นจริงอันเดียวเท่านั้นเองเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเป็นผลแล้วใช่ไหมพอเบื่อหน่ายนะมันก็ส่งผลต่อไปก็คลายความยึดถือะแล้วมันก็ส่งผลต่อไปเราไม่ต้องทําอะไร เราแค่รู้รู้ทุกขเท่านั้นเองรู้ตามความเป็นจริงเท่านั้นเองมันเบื่อหน่ายเองพอเบื่อหน่ายแล้วมันคลายความยึดถือเองพอคลายความยึดถือมันหลุดพ้นเองไม่มีใครทําจิตให้หลุดพ้นได้จิตหลุดพ้นของจิตเองพอจิตรหลุดพ้นแล้วจิตก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ด้วยตัวของตัวเองเพราะงั้นงานของเราจริงจริงคืองานรู้ทุกข์หรืองานรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงมี Nem. งาน สำคัญอยู่งานเดียวมีงานสนับสนุนอีกงานหนะึ่งคือสมะถะกรรมฐานเวลาที่เรารู้ทุกรู้รูป ร, รู้นามรู้กายรู้ใจนี่มันจะเนหน็ดเหนื่อยจิตจะอ่อนลา้าเวลาจิตเนตหน็ดเหนื่อยอ่อนลา้าทําสมถะกนะลับมาอยู่กับสมถามาอยู่กับพุทธโธมาอยู่กับลมหายใจให้ใจได้พัผ่อนไม่ต้องเดินตัญญะไม่ดูใจรักนะมารู้ว่าอารมณ์มันเดียวด้วยใจที่สบายนะไม่ดูว่าอารมณ์นั้นแสดงใจรัจในในนกด้วยนะ ไม่เดินปัญญามาอยู่พักพ่ออยู่ในลมเดียวจิตจะมีแรงขึ้นมาจิตมีแรงขึ้นมาไปเจริญปัญญาไปรู้ทุกข์ต่อและวันหนึ่งก็จะเห็นขันทั้งห้านี้เป็นภาระคนทั้งหลายนี่แบกภาระอยู่คนทั้งหลายไม่ใช่ใครหรอกก็ พ, พวกเรานี่แหละแบกบภาระอยู่นะแล้ววันหนึ่งภาวนาจนจิตมันว่างหมดแล้วนะจะรู้เลยว่าสิ้นภาระนะหมดภาระนะที่สุดของทุกข์อยู่ตรงนี้เอง ไปกินข้าวไปสรัญญานี้บุญมากนะสัญญาจะเป็นคนแปลวันที่หลวงพ่อเทศที่ลึกมากเลยนี่หมดนะครับเชิญกรรมาการ